พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่13โดยหลวงพ่อยินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่6สิงหาคม2556ในโอกาสอบรมคณะอำเภอนามโสมและอำเภอนายูมีชื่อเรื่องว่าโชเฟอร์รวย วันนี้เป็นวันสำคัญของเขตอำเภอนายยงน้ำโสมพวกเราคณะสงฆ์มีหลวงพ่อภูนาหลาวเป็นประธานสงฆ์แล้วก็ได้พาลูกศิษย์ลูกหาน้องนุ่งทั้งหลายตลอดถึงพี่น้องประชาชนจัทธทยญาติโยมในกลุ่มของพวกเราการะวะครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นวันนี้เป็นวันอุโบสถ เข้าพรรษามาเป็นวันแรมส5ห้าค่ำเดือน8ตรงกับวันที่หสิงหาคมพุทธศักราช2556เป็นวันพระใหญ่ก็พระสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถอยู่ที่บ้านสว่างวัดหลวงปู่แผงอดีตเจ้าอาวาสบัดนี้ก็ได้มาถึงวัดของหลวงพ่อคณะสงฆ์ก็ศาลาชั้นบนก็เต็มหมด แล้วก็พี่น้องประชาชนข้างบนและข้างล่างศาลาก็รู้สึกว่าอบอุ่นในถิ่นฐานในกลุ่มของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองเมื่อเห็นคณะสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายเห็นพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่เข้ามาหลวงพ่อก็อบอุน่นพระหมู่น้องนุน่งและพี่น้องประชาชนปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวที่พวกเรามาทำพิธีกรรมอย่างนี้ พิธีกรรมวันนี้ก็คือเราได้ถือดอกไม้ทูบเทียนที่พวกเราถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาที่รักเคารพนับถือได้มาแสดงความคารวะมุดน้ำดำหัวแต่ภาษาทางพระกรรมฐานพระป่าของพวกเราว่ามาทำวัดครูบาอาจารย์ทำวัดเข้าพรรษา แต่เป็นภาษาภาคกลางคาว่าทำวัดคำนี้ก็คือทำวัดเชา้าทำวัดเย็นแต่พวกเราทางครูบาอาจา ร, ราย์พระกรรมฐานไปทำวัดครูบาอาจารย์เพียงแค่นี้ก็รู้ได้ทั่วถึงกันว่านั่นคือไปคารวะมุดน้ำดำหัวตามประเพณีวันเข้าพรรษาแต่วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันคารวะ ครูบาอาจารย์จึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งแต่พร้อมกันนี้หลวงพ่อในวันนี้หลวงพ่อเองจะบอกจะแนะวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติเพราะว่าเรื่องทานเรื่องศีลพวกเราก็ได้พูดกันมาไร้หนลวไหล้แหงแต่เรื่องจิตตภาวนาคำนี้นานๆพวกเราจะได้ยิน เป็นจิตจาลักษณะแต่วันนี้หลวงพ่อเองอยากจะบอกกล่าวแนะนำฝ่ายพระสงฆ์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนาาศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้ยึดแนวแถวปฏิปทาสายหลวงปู่มั่นคือเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาต่างๆเพราะว่าครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปู่เทศ หลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่ต่างๆล้วนแล้วจะเป็นสิทธิ์สายหลวงปู่มั่นทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนทั้งหลายตลอดถึงพี่น้องประชาชนพวกพวกเราน่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่พวกเราได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นและครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่น ที่ได้นำทาคําสอนมาบอกกล่าวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูมั่นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราได้ไปชุมเพลิงที่สกล น, นครจากนั้นกระดูของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็น เ, เต็มตาเต็มใจของพวกเราจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่ท่านล่วงลับไปก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราเห็นเป็นระยะระยะ พวกเราน่าจะมั่นใจได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราที่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราพวกเราน่าจะตายใจสบายใจภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราได้เป็นสิทธิาณุสิ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าหากว่าผู้ที่กระดูกได้กลายเป็นวัฏฏะ ไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากพระรหันพวกเราก็เชื่อมั่นอย่างนั้นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่เป็นพระรหันเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วเราก็ได้ศึกษาแนวแถวทำคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็ล้วนแล้วจะเป็นศีลเป็นธรรมล้วนแล้วจะเป็นเรื่องสมาธิปัญญาล้วนแล้วจะเป็นแนวทางที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส อย่างบางครั้งอย่างหลงตามหาบัวในยุคหนึ่งก่อนที่ท่านจะจุดตินิ้เราานคนก็มีความสงสัยถามกันว่ า, า, น, น, ตตานิพพ า, า, านเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตานิพพานเป็นอัตตานี่คือนิพพานเหมือนกับสวรรค์ลงมาบอกกล่าวหรืออะไรกันได้เป็นอัตตาเหมือนกับเหมือนโตตน์เหมือนกับเทวดาแต่ใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์คือ เหมือนกับเป็นอัตตายังรู้ได้เห็นได้แต่กลุ่มเรียงก็บอนับนิพพานเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานอกเหนือจากสิ่งสมมติแต่เขาก็มาถามองค์ลุงตาบอกว่าลุงตานี่แหละมีความเห็นแย้งกันทั้งสองอย่างนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาแต่ลุงตาประกาศว่าลุงตาเป็นผู้หมดจดจากกิเลสลุตงตาเป็นพระอรหันต์ หลวงตาจะให้ความเห็นว่าอย่างไรในเรื่องสองคำนี้หลวงตาบอกว่านิพานคือนิพพานนิพานไม่ใช่อัตตานิพานไม่ใช่อนัตตานิพานคื อ, อนิพพานถ้าหากว่านิพานเป็นอัตตาอันนั้นไม่ใช่แล้วนิพานเป็นอนัตตานิพานยังเป็นไตรลักษ์อยู่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตานิพานยังเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษ์นี่เป็นกุญแจ เป็นกุญแจที่จะเปิดประตูเข้าสู่พระนิพพานจะเป็นพระนิพพานได้อย่างไรเพราะไตรลักษณ์ยังเป็นไตรลักษณ์อยู่อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่นิพพานนั่นอยู่เหนือนอกจากอนัตตาสรุปแรกก็คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่เหมือนกับลูกกุญแจกุญแจเปิดเข้าไป ตัวกุญแจเนี่ยคือเป็นไตรลักษ์ลูกกุญแจคือเป็นไตรลักษ์นัตยังทุกขังอนตตาถ้าเปิดเข้าไปแล้วนั่นอะ่ะนอกเหนือจากกุญแจเปิดเข้าไปแล้วคือพระนิพพานนอกเหนือจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่สมมุตินอกเหนือจากสมมุติจนเรียกไม่ถูกว่าอันนั้นคืออะไรจวันนิพพานัานงปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้โลกตาท่านก็ตอบฮ ในลักษณะอย่างนี้แต่คนทั้งหลายก็ยอมรับว่าหลวงตาตอบไม่มีใครคัดค้านที่ท่านหลวงตาได้ตอบนี่แหละถึงคราวจำเป็นมาหลวงตาก็ได้ตอบคำถามให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินแล้วก็เป็นที่ซึงใจแต่ทนทีก่อนที่หลวงตาจะได้ตอบหรือว่าเป็นวิธีการแนะนำของหลวงตานั้นพวกเราจะยกตัวอย่าง ประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ได้ไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โครนต้นโพที่พุทธกยาเป็นเวลาทั้งหปีค้นคว้าศึกษาจนถึงวันเดือนหกเพนวันนั้นพระองค์ได้ตัดจรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก่อนหัวค่ำพระองค์นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกให้พี่น้องประชาชนศรัท ธ, ธาญาติโยมที่นั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้ให้สังเกตพระพุทธเจ้าอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนธท่านทำอย่างนี้จากนั้นพระองค์กำหนดลมหายใจเข้า มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจออกเมื่อพระองค์มีสติสัมปชัญญะไม่ส่งจิตไปกระสับกระสายไม่ส่งใจไปที่อื่นจากนั้นพระทัยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมจากนั้นพระองค์ก็ได้ญารณรัศนะตอนหัวค่ำเกิดฌานเกิดญาณรัศนะ จะว่าปุเพเนวาสานนสติญาลำลึกชาติทนหลังได้นี่แหละคือคำหนึ่งล้บอกว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกวิญญาณที่มีที่ไปที่มาใจของพระ อ, องค์พระองค์อองนึกย้อนหลังไปในอดีตเป็นร้อยร้อ ย, ย, ยพันพัหมืนม่นๆมนเส้นๆสนชาติได้ชาติไหนที่ได้ทำความดีความดีนันก็จะมาส่งในภพชาติต่อไปท้าวั พบชาติไหนทํากรรมชั่วกรรมชั่วพบชาติต่อมาก็วิญญาณนนั้ก็ได้รับกรรมชั่วที่ตนเองได้กระทาไว้เป็นว่ากรรมมโยนิกรรมพันธุกรรมะปฏิสานโนเราทํากรรมสิ่งไหนกรรมดีและกรรมชั่วเราจะได้รับผลของกรรมนั้นอันนี้พระองค์ก็รู้ว่ามองดูแล้วรู้ว่าในช่วงไหนทํากรรมอะไร ทำกรรมดีและทำกรรมชั่วในพบในชาติที่ผ่านๆมาจากนั้นพระองค์ก็ล้ำลึกชาติได้ว่าปุเพเนวาสารุสติญาณล้ำลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็จิตทำจิตใจให้เน่งนกไปตรวจตาดูสรรพสัตว์มองดูออกไปข้างนอกทีแรกมองดูตนเองจากนั้นมองออกไปข้างนอกไปเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายทำไมเกิดมาไม่เหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ ไม่เหมือนกันเกินเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันความทุกข์ยากไม่เหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บไม่เหมือนกันอวั ย, ยวะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะกรรมจำแนกนะเพราะพระองค์ก็รู้ว่ากรรมจำแนกให้สรรพสัตว์เกิดมาแตกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงดูแล้วว่าคนนี้ทําไมหูหนวกตาบอดทําไมโง่ทําไมเป็นบ้าทําไมจึงจนถึงขนาดนี้เพราะอะไร พระ อ, องค์ก็มองดูว่าเออกรรมกรรมของเขากรรมคือการกระทําในอดีตของเขาเขาได้ทํากรรมชั่วอย่างนั้นอย่างง่ายง่าง่ายงมาชาตินี้เขาจึงได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้เน่เท่าคนนี้เป็นยังไงคือจึงรวยแต่ไม่ใช่ฐานะที่จะรวยแต่เขาทำามาจึงรวยพระ อ, องค์ก็มองมองไปดูในอดีตของเขาอีกโอ้อันนี้เขาทํากรรมดีเขาสร้างบุญสร้างกุศลในภพนั้นชาตินั้นแต่มาชาตินี้เขาเลยจึงรวย เพราะบุญกุศลให้ผลนี่แหละถ่าอันนั้นคืออดีตชาติแต่มาย้อนถึงปัจจุบันชาติก็เถอะทีเนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เรามีลูกของเราขึ้นมาหลานของเราขึ้นมาถ้าเด็กคนไหนพ่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเด็กดีอ่อนน้อมถ่อมตนขยันในการทำมาหากินขยันในการเรียนหนังสือแล้วก็เคารพพ่อแม่ พี่น้องเป็นเด็กดีสรุปแล้วต่อไปภายภาคหน้าเขาก็เป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆแต่ เ, เด็กคนไหนกเกเรเกิดขึ้นมาแกะเกกะละลานนักเลงไม่ชอบฟังใครไม่ชอบฟังคำพ่อคำแม่พี่ป้านาอองอาใครตักเตือนก็มีแต่ทางไปในทางที่ไม่ดีใหญ่ยยขึ้นมาก็ยิ่งเกเรขึ้นไปเรื่อยๆจนพี่น้องกลัวกันทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะเป็นคนชั่วมาตั้งแต่เด็ก นิสัยไม่ดีมาแต่เด็กพวกเราดูซิว่าคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนดีมาตลอดแล้วอนาคตของเขาไปยังไงเขาก็ต้องดีไปตลอดถ้าคนไหนที่ไม่ดีทำตัวไม่ดีมาในอดีตแล้วอนาคตไปยังไงอนาคตของเขาก่อนพร้อมที่จะติดคุกติดตารางพร้อมที่จะเป็นนักโทษได้เพื่ออะไรเพราะกรรมของเขาคือการกระทา กระทำกรรมที่ไม่ดีกรรมไม่ดีก็จะให้ผลถ้าทํากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลเพราะนั้นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหลวงพ่อพูดแต่เป็นว่ากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพียงแค่นี้นะหลวงพ่อกับควรจะพูดเป็นภาษาบาลีขึ้นมาเพื่อยืนยันอีกว่าพระพุทธเจ้าตรัสจริงไหมคํานี้พระพุทธเจ้าตัดคํานี้ออกมาจริงท่านบอกว่าอักตังลุ ก, กตังเสยโย ปัจชาตปฏิทุกกตังกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะทำกรรมไม่ดีแล้วกรรมไม่ดีจะให้ผลไปเรื่อยๆตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นอย่าทำกรรมชั่วอันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ได้มาพูดถึงทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างองคหลวงตามหาบัวเนี่ย เราได้อ่านได้ศึกษาในประวัติของท่านแต่ตอนที่ท่านจะบวชท่านก็ไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาคือพ่อแม่ให้บวชท่านก็จําเป็นจําใจได้บวชพอบวชแล้วท่านกเ็เป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีบารมีเก่าดั่งเดิมอยู่แล้วจากนั้นท่านพอบวชเข้ามาท่านก็ได้เห็นพระอุปชาของท่านเดินจงกรมท่านก็ถาม ท่านพระอุปชาครับลงปูทับท่านเดินอะไรพระอุปชาก็บอกวิธีการเดินเดินจงกรมให้จากนั้นพระอุปชาก็แนะวิธีการนั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธในแนวแถวสายลงปู่มั่นแต่ท่านก็ทำลงปู่ลงตามหาบัวท่านก็ทำสามเดือนจากนั้ขังศึกษานักธรรมตรีเรียนนักธรรมตรีไปด้วยในพรรษานั้นที่บวชพรรษาแรกจากนั้นหลวงตา ท่านก็ได้นั่งภาวนาบ้างเรียนหนังสือไปบ้างใจของท่านได้รับความสงบสองสามครั้งในพรรษาแต่พอสงบแต่ละครั้งโอ้โหมีความสุขจริงๆมีความสุขมากแต่พยายามจะให้มันสงบมันก็ไม่สงบแล้วก็ปล่อยไปออสงบไม่สงบก็เป็นไรเราจะนั่งภาวนาไปเรื่อยมันก็สงบท่านก็เลยให้ได้แนวความคิดว่าออวิธีการนั่งภาวนาเนี่ยนะ เราอย่าอยากให้มันสงบนะนั่งไปเรื่อยเหตุผลมันพอแล้วมันสงบเองหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบก็บอกเหมือนกับพวกนักตีกอล์ฟของเขาเน่ะเขาจะพยายามตีให้มันลงหลุมอะแต่มันก็ไม่ลงนะอแต่ก็คือเอาเถอะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่เราก็พยายามทําให้ให้มันลงหลุมนั่นแหละเพราะมันหลุมอยู่ตรงนั้นเขาจะตีไปหาตรงนั้นพอมันได้จังหวะมันมันก็ลงป๊อกพอดีฮะ ใจของเราในสมาธิก็ลักษณะอย่างนั้นละ่ะคือเราพยายามหาเหตุผลให้เพียงพอจากนั้นเราก็นั่งภาวนาใจของเราจะสงบนะท่านบอกว่าเมื่อใจสงบแต่ละครั้งมีความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้เราเรีรับเป็นคำํำตรัสหรือเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคําตรัสที่จริงๆถูกจริงๆมีความสุขจริง ในจิตสงบอันนี้หลวงตาท่านก็นยอมรับจากนั้นท่านก็ไปเรียนหนังสือจบทั้งๆที่จบได้มหาป ร, ริญญาและนักธรรมเอกพร้อมกันนี่ที่วัดเจดีหลวงจากนั้นท่านมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเมื่อเรียนจบได้มหาป ร, ริญญาสามนักธรรมเอกจะออกปฏิบัติจะไม่เรียนต่ออันนี้ก็คือความตั้งใจขององค์หลวงตาจากนั้นข้ารก็ได้มาศึกษากับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าเออมหา ในเมื่อมาศึกษาธรรมะปฏิบัติข้ออัดข้อธรรมทั้งหลายที่ท่านได้เรียนมานั้นยังไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านให้ท่านเก็บเข้าตู้ไว้ก่อนนะอย่าพึ่งนำออกมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของท่านมันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ท่านนำมาประพฤติเราภาวนากรรมฐานอันไหนให้ยึดกรรมฐานนั้นเป็นหลักนะจากนั้นหลวงปู่มั่นก็สอนกรรมฐานภาวนาพุทโธให้ แต่ท่นนี้หลวงปู่หลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่าท่านภาวนาเพียงแต่ว่ากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือเป็นหลักที่ท่านภาวนามาก่อนเพราะท่านไม่ได้รับการอบรมจากหลวงปู่มันท่านได้รับการอบรมมาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธประวัติว่ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก จากนั้นท่า น, ก, นก่อนที่จะเข้าไปหาหลวงปู่มั่นท่านม า, มาทำทุวระเสร็จแล้วท่านกน็ใจของท่านเสื่อมท่านใจของท่านเสื่อมคล้ายๆสมาธิที่เคยได้มาแล้วมันหายเข้ากีบเมฆไปหมดทำให้จิตใจของท่านร้ร้อนอย่างมากที่สุดแต่ก่อนมีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่พอจิตใจเสื่อมเท่านั้นแหละมีความทุกจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านว่าให้บริกรรมนะ ให้บริกรรมสัมทับสำเข้าว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถหายใจเข้าพุทหายใจออกโถให้บริกรรมพุทโถด้วยนะอย่าไปปล่อยให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉยมันหลุดได้ง่ายจากนั้นหลวงตามหาบัวท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานอะไรต่เนี่ยใครวันนี้นะฟังนะ น, นะพลูกพาหลานทั้งหลายทำอะไรทำให้จริงจังและจริงใจ แล้วตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะ ก, กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจะไม่ให้เผลอจะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวเองตลอดไม่ให้เผลอคือตั้งสัจจะเลยจากนั้นก็กาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทนั่งขัดสมาธิแล้วกว่าวิธีเวลาเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมไปอยู่สุดทางจงกรมแล้วปนมือขึ้นระหว่างอก เนึกพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมคือไหว้ครูคือไหว้รวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็เอามือลงขณะเกิดขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุทโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถคือพยายามในทุกอริยบทให้มีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบทในการเคลื่อนไหวท่านบอกว่าสาวันแรกทุกสืกว่าโอ้โหหนักมากนะีอันนี้ก็คือปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเรื่องบังคับจิตใจไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะในการดูจิตใจจุดนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนี่แหละคืออันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านพาดําเนินแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆท่านก็บอกกล่าวให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักเพราะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน ดำเนินของพระ อ, องค์นั้นพระ อ, องค์มีพระบา ร, รมีจะเพาะพระ อ, องค์พระ อ, องค์แก่ข้าพระ อ, องค์กาหนดอย่างนั้นก็อยู่ได้แต่สำหรับพวกเราเที่ภาวนานะท่านว่าให้กำหนดพุทโถเป็นหลักแต่ส่วนอื่นหลวงพ่อก็เคยบอกหลวงพ่อเองนี่คับแคบเกินไปหรือเปล่าแล้วครูบาอาจารย์องค์อื่นล่ะยุบหนอพองหนอล่ะแล้วมโนไม่ยัเทล่ะ หรือว่าดูใจของตนเองล่ะหรือว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายมีมากหลากหลายทุกวันนี้ครูบาอาจารย์แนนางกรรมฐานผิดไหมไม่ผิดเรายอมรับได้เราต้องเปิดใจให้กว้างแต่นี่เรามาศึกษาในแถวแนวสายปฏิบัติสายปฏิบัติของหลวงปู่มั่นเราต้องศึกษาในละหลวงปู่มั่นให้ชัดเจนเราจะไปอยู่ในสายนี้เราปฏิบัติอย่างนี้กระโดดไปสายนั้นกระโดดไปสายนี้ผลในสุดก็เลย ไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะว่าการทํามาค้าขายหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าการทํามาค้าขายในโลกนี้มีหลายๆอย่างอย่างคนหนึ่งทํานาก็ได้ข้าวได้เงินคนหนึ่งทําสวนอย่างก็ได้เงินทําไร่ข้าวโพดขายข้าวโพดก็ได้เงินขายมันสัมปะหลังก็ได้เงินแล้วมากมายเป็นข้าราชการครูก็ได้เงินเป็นตํารวจทหารได้เงิน ทำมาค้าขายของชาได้เงินล้วนแล้วจะได้เงินแต่ว่าหลวงปู่มั่นของเราถ้าจะเปรียบเทียบทั้งหมดท่านเป็นชาวนาวิธีการทำนาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วได้ผลอย่างนี้อย่างนี้ทำมาค้าขา ย, ยานี่รวยอย่างนี้ถึงจะไม่ได้ขายก็ได้กินวิธีการทำอย่างนี้นะอันนี้ผ้าพวกเราศึกษาในแนวแถวหลวงปู่มั่นเราก็น่าจะศึกษา มอบกายถวายตัวหรือว่าเราศึกษาดูแล้วไม่ใช่นิ ส, สยัยไม่ตรงกันแนวแถวสายล้ปูมันเราจะไปขยับไปศึกษาสายอื่นก็ได้กไ็ไม่ผิดกติกาเพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้ง40อย่างกรรมฐาน40่แต่ล้ปูมันนำมาประยุก์ใช้สองกรรมฐานคือพุทธโธกับอนาปานสติบวกกัน หายใจเข้าพุทหายใจออกโถหลวงปู่มั่นนำมาใช้สองอย่างที่จะทำจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถะกรรมฐานหลวงปู่มั่นนำมาใช้จากนั้นพระไทยหรืยว่าใจของพระพุทธเจ้าสงบแต่หลวงปู่มัน่นท่านเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งี่แล้วเราได้อะไรเราภาวนาเราศึกษาภาวนาเราได้อะไรแต่ได้บุญกุศลมห า, าศาลนะคณะทาญาิโยมลูกหลานแต่เอาเถอะ เมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งอันดับแรกเราสงสัยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่กายกับใจเป็นอย่างไรอันนี้เราสงสัยแต่เมื่อพวกเรานั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างที่ว่าใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตนิ่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้น เมื่อจิตของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอันกันคือร่างกายเหมือนกับรถหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังชัดๆเลยอะรสิร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถถ้าคนไม่ขับรถคันนั้นก็ไปไม่ได้ถ้าหาว่าคนรถมันเสีย โซเฟอร์จะมีฝีมือขนาดไหนขึ้นไปขับรถคันนั้นก็ไปไม่ได้เพราะน้ำมันมันหมดมันติดมันขัดผิดต่างเยอะแยะรถรถที่มันเสียมันมีหลายหลายเรื่องอย่างร่างกายของเราเหมือนกันเส้นเลือดไปอุดในสมองออหัวใจอุดตันไตาวายอะไรมีมากมายในร่างกายที่เราจะต้องตายเพราะร่างกายของเราเหมือนกับรถเหมือนกันเพราะนั้นโซเฟอร์ ขึ้นไปขยับมันก็ขยับไม่ออกแต่ถึงยังไงก็ เ, อกอ เ, เอถอะร่างกายของเราเนี่ยหรือรถของเราที่เราซื้อมาเนี่ยใหม่ใหม่เอี่ยมเราก็วิ่งดีพอารถใหม่พอเราใช้มาสิบยี่สิปีเข้าไปแล้วมันหลวมไปหมดขนาดเป็นเหล็กนะคณะสทายาิโยมลูกหลานนะเป็นเหล็กนะมันยังหลวมร่างกายของเราเนี่ยเราเกิดมาจากท้องแม่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่อย่างหลวงพ่ออินอายุ69ปีปีนี้นะ เราใช้มาเราไม่เคยดับเครื่องเลยตั้งแต่เกิดมาหัวใจเรายังทำงานตลอดเปิดเครื่องตลอดขนาดนอนหลับเครื่องยนต์ก็ยังทำงานนี่แหละเปิดเครื่องตลอด24สี่ชั่วโมงสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ให้มันชุดมันโฉมได้อย่างไงถต่ขนาดรถนี่นเวลาเขาวิ่งไปแล้วเขายังดับเครื่องยังปิดเครื่องไว้เวลาเขาจะจะใช้เขาจึงเปิดหรือสตาร์ทเครื่องแล้วก็วิ่งไปทางาน ร่างกายของพวกเราเนี่ยไม่ให้มันสุดโมได้ยังไงอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะต้องจอดล่ะทีนี้ เ, เพราะมันใช้งานไปนานไปอยู่ในพงหญา้าล่ะเอาไปเข้าหงซวยละ่ะ เ, เอาไปเผาไฟทิ้งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เผากัน น, ะนี่แหละคือร่างกายมันหมดสภาพแต่ใจของเราเนี่ยทีนี้ที่อยู่ในร่างกายโซเฟอร์นะสำคัญนะทีนี้โซเฟอร์ในอยู่ในร่างกายเนี่ยตัวนี้แหละที่ว่าผีผีนะที่เขาไปเห็นผีนะ่ะ ตัวนี้แหละคือตัวผู้รู้คือนามธรรมคือใจตรงนี้แหละที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่แหละมันออกจากร่างนะ น, นะทีนี้พอออกจากร่างใจตรงนี้ได้สั่งสมคุณงามความดีอันไหนไว้บ้างได้สร้างบุญกุศลอันไหนไว้บ้างโซเฟอร์เนี่ยนะเรียกว่าได้ อ, อขับรถออกมาจากท้องแม่แล้วก็มีแต่กินเหล้าเมา ย, ยาเที่ยวตะลอนตะอนไม่ได้คิดไม่ได้อ่านมีแต่ทำมาค้าขายเพราะตัวเองฉลาด หาเงินหาทรัพย์สมบัติเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวว่าตัวเองฉลาด เ, เป็นผู้มีปัญญาเพียงแค่นั้นยังไม่พอนะเราควรจะส่อแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจด้วยเพราะเหตุไรเพราะว่าเราส่อแสวงหาทรัพย์นั้นเราเลี้ยงได้แต่ร่างกายร่างกายก็คือปัจจัยสี่คือหาเงินเข้ามาแล้วก็เลี้ยงร่างกายมีอาหารการบริโภคสมบูรณ์ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บ ที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยผ้านุ่งหม่มยาอาหารการบริโภค ย, ยาแก้โรคภัยผ้านุ่งหม่มที่อยู่อาศัยอันนี้คือปัจจัยสี่การสะแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงร่างกายได้แต่เพียงปัจจัยสี่เท่านั้นแต่เลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะอาหารดีขนาดไหน ยาแก้โรคภัยดีขนาดไหนหมอดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มดีขนาดไหนที่อยู่อาศัยหรูหราโอ้อาขนาดไหนเนีไปที่ไหนติดแอร์ทุกห้องก็เถอะร่างกายนี่ยังเป็นอื่นอยู่เสมออยู่ไปนานๆเข้าก็แก่เดี๋ยวก็เห็นผมขาวเห็นก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวหูตึงผลในสูตก็ไม่ตายง่ายก็เดินไปที่ไหนใจแม่เท้าหลังค่อม พอในสุดทําไม่ตายงา่ายแปเก้าปีก็นอนกับที่เลยทีขยับขยืนไม่ได้นี่ลหละร่างกายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะมันอยู่ในสภาพอย่างนั้นเพราะนั้นพระพระทุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปเลี้ยงเลี้ยงร่างกายเลี้ยงพอประมาณให้เลี้ยงจิตใจให้เลี้ยงโซเฟอร์สรุปแล้วการดูแลรถก็ดีดูแลให้ดีเดดูแลให้ดีพอสมควรแต่ให้ดูแลโซเฟอร์ เออโซเฟอร์ในสำคัญถ้าว่าโซเฟอร์มีกิริยามารยาทที่ดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีศีลสมาธิปัญญาโซเฟอร์ปฏิบัติธรรมมีคุณธรรมในจิตในใจเหมือนกับมีสมบัติมีเงินํำทรัพย์สมบัติดูในตัวโซเฟอร์โซเฟอร์นะ่าจะไปนะสถานที่ใดเพราะโซเฟอร์มีเงินออกจากรถคันนี้แล้วออกจากรถที่ท่านมันจะทิ้งแล้ว โซเฟอร์ออกจากรถแล้วโซเฟอร์ก็มีมมีบัตร ATM เ อ, อมีเพชรนินจินดามีเงินในธนาคารที่ได้สั่งสมเอาไว้โซเฟอร์มีเงินก็พร้อมที่จะออกจากรถคันนี้พร้อมที่จะซื้อรถคันอื่นได้อีกดีกว่าเอาให้ดีกว่าเก่าก็ได้เพราะอะไรเพราะโซเฟอร์ออมีคุณภาพมีบุญกุศลมีสติมีปัญญา ไม่ได้ประมาทเรามาเกิดทั้งทีเราก็มองดูว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเราไม่ควรประมาทนะโชเฟอร์ก็ต้องวางแผนอะไรวางแผนแล้วเราจะทำยังไงเราจะสั่งสมบุญกุศลอย่างไงจะเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อเราออกจากภพนิชชาตินี้แล้วเราจะไปที่ไหนเราจะไปยังไงโชเฟอร์ต้องวางแผนถ้าพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัตาิาจโจมทั้งหลายนะ เ, เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่หาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้วางแผนอนาคตของตนเองเหมือนกับโซเฟอร์ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้วางแผนพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าโซเฟอร์คนนั้นออกจากร่างไปแล้วไม่รับรองอาจจะเป็นหมูหมากากไก่เป็นสัตว์ทิรฐิฉาลตกนรกหมกไหมได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะโซเฟอร์ไม่มีการวางแผนอนาคตของตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเรา ลูกหลานคณะสัทธาญาณโยมทุกหมู่เหล่าได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเรื่องคุณธรรมให้กับพวกเราเราจะไปอยู่เฉยเมยว่าตายแล้วศูนย์ไม่ศูนย์นะอยากจะรู้ให้นั่งภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั่งสมาธิจิตใจสงบแล้ว เราจะรู้ได้โดยตัวเองว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละอันกันโซเฟอร์กับรถชัดเจนพอท่านโซเพราะพระตเจ้าให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์มากกว่ามากกว่ารถท่านให้ความสําคัญถึงว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจท่านว่าให้โซเฟอร์เป็นใหญ่ โซเฟอร์เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าโซเฟอร์ดีแล้วรถคดีก็ดีไปตามถ้าโซเฟอร์เกเรเป็นหัวไม้เห็นใครขึ้นมาพอนั่งรถขึ้นไปก็เ ย, ยบด่าไปหมดเปิดแกด่าไปหมดไม่ควรจะบีบแกก็บีบแกดังสนั่นวอนไว้ไปหมดคือโซเฟอร์ไม่ดีโซเฟอร์ไม่มีมารยาทแต่โซเฟอร์ดีแล้วต้องระมัดระวังที่จะไปชนไปเฉียวไปเยยบสัตว์ทั้งหลาย ه, เพราะว่าโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนะโซเฟอร์นะให้พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์มากกว่าเรื่องของรถเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อได้พูดได้แนะนําบอกกล่าวแต่อย่าเชื่อนะอย่าเชื่อหลวงพ่อที่เดียวให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดกันกรองไตรตรองและเหตุด้วยเหตุและผลแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้แล้วล่ะ แต่หลวงพ่อขอย้ําอีกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงก็เถอะอย่าเชื่อในที่คำพูดของหลวงพ่อแต่ต้องเชื่อด้วยการวิเคราะห์สติปัญญาของตอนเองไต่ตรองด้วยเหตุและผลศรัทธาเรามีอยู่จึงค่อยเชื่อนะถ้าว่าใครพูด อ, อะไรขึ้นมาก็เชื่อทั้งหมดหลวงพ่อเองเคยพูดว่าหลวงพ่อไม่อยากจะได้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นวัวเป็นควาย ของหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินพูดอะไรก็เชื่อไปหมดหลวงพ่อเลยสนตะภายแล้วก็จูงตามหลังไปหมดหลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเองบอกกล่าวอะไรให้ฟังอย่างหลวงพ่อแนะนำให้ฟั ง, งนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายใช้สติใช้ปัญญาตามดูสิว่าเป็นความจริงไหมออในเรื่องได้ยินได้ฟังมานี่วิเคราะห์ดูสินั่งสมาธิดูสิทาจิตใจให้สงบดูสิมันจริงไหมออถ้ามันจริงก็เออ ศรัทธาเราบินแล้วก็เชื่อในเมื่อเราเชื่อแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นอัจฉริยะเป็นผู้มีความคิดเป็นตัวของตัวเองในเมื่อหลวงพ่อสั่งสอนไปแล้วหลวงพ่อได้อะไรก็ไม่เห็นจะได้อะไรจากลูกจากหลานจากคณะศรัทธาญาิโยมแต่หลวงพ่อได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่สมัยหลวงพ่อบวชเป็นเนนอายุ11 12ปีอยู่กับหลวงปูหล้า ท่านก็แนะนำสั่งสอนหลวงพ่อให้เลือกจากศีลเลือกจักธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาจากนั้นท่านก็ได้มาอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่จามหลวงปู่แหวนหลวงตามหาบัวเป็นส่วนใหญ่จากนั้นท่านก็แนะนําสั่งสอนเรื่องสมาธิปัญญาหลวงพ่อก็ซึ้งใจเชื่อในพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ได้ยินได้ฟังมาจากนั้นหลวงพ่อจึงได้นําแนวประพฤติปฏิบัติมาบอกกล่าวถ่ายทอด ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็เป็นแนวความคิดของพวกท่านแต่หลวงพ่อเพียงแต่ว่าเป็นผู้บอกกล่าวหลวงพ่อไม่ได้อะไรเหมือนกับหลวงพ่อชี้ให้พวกเราเออพวกท่านทั้งหลายนะทํานาอย่างนี้นียทําสวนอย่างนี้นะทําค้าขายอย่างนี้นะไ อ, อ้พวกท่านจะรวยนะแต่พวกท่านทั้งหลายทํามาค้าขายอย่างที่หลวงพ่อพูดแล้วนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้ว จิตใจมีสมาธิดีแล้วจิตใจมีหลักดีแล้วพวกเราก็คงจะอย่างมากก็โอ้ขอขอบคุณหลวงพ่ออินที่ได้แนะนําสั่งสอนให้ได้ประพฤติปฏิบัติให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในการสร้างคุณงามความดีขอขอบคุณหลวงพ่ออินมากฮะอย่างหลวงพ่อขอบคุณหลวงปู่ลาขอบคุณหลวงตาอย่างนี้แหละหลวงตาได้อะไรจากหลวงพ่ออินหลวงปู่ล่าได้อะไรจากหลวงพ่ออินท่านจุตินิพพานไปแล้ว เี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อบอกกล่าวข่าวนี้กันหลวงพ่อก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากคณาจัตตาญาติโยมเพียงแต่ว่าให้ปฏิบัติอย่างนี้นะลูกหลานนะคณาจัตตาญาติโยมนะในเมื่อพวกท่านปฏิบัติอย่างนี้พวกท่านจะได้รับความสุขทางด้านจิตใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะนรกสวรรค์มีจริงนะถ้าว่าพวกเราปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จะรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่หลงโลกหลงทาง จะรู้จักวิธีการปฏิบัติกับตนเองรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จกักพระคุณของผู้มีอุปกรณคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบงศาคนาญาติญาติมิตรสหาเราจะรู้บุญคุณของท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคนศรัทธาญาติโยมพระเนนุ่งน้องหนุ่งทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นให้พวกเราฟังแล้วก็สังเกตแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติ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 ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธินสาธุ